ร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมไม่ร้อนจริงอ่ะ <laughs> ไม่จริงมั้งนี่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุตรดาน่ารักอะไรๆท่านพอดีหมดเลยร้อนก็ร้อนพอดีหนาวก็หนาวพอดีคนทำน้ำปานะไปถวายท่านเห็นว่าท่านแก่แล้วต้องการวิตามินซีสูงทำให้เปรี้ยวสุดๆเลยตัวเองไม่ได้ชิมนะ เอาไปถวายท่านเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะแอบไปชิมโอ้โหเปรี้ยวอีกวันแก้ตัวทําให้หวาน <c oughs> <c oughs> ไปถามท่านเมืม่อวานน้ําป่านะเปรี้ยวไปไหมท่านบกเปรี้ยวพอดีถวายอันใหม่ไปท่านก็ฉันตัวเองเอามาชิมทีหลังนะโอ้หวานไปไม่ไถามท่านาหวานไปเปล่าหวานพอดีโอเอาอ่ท่านสิเนาะ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 เราอาจจะเป็นอย่างนี้เมื่อไรก็ได้ใจเกิดความไม่ประมาทขึ้นมานี่เป็นกุศลขึ้นมาแล้วงั้นศาสน า, าพุทธนี่นไม่ใช่ศาสน า, าที่ยอมจำนวนกับกรรมเกา่าตัวสําคัญคือกรรมปัจจุบันต้าททำให้ดีทำให้ถูกนะฮะเกิดมายากจนเป็นผลของกรรมเกา่าเกิดมายากจนกรรมเก่าส่งผลให้เกิดมาจนไม่จำเป็นต้องจนตลอด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 อย่างพระดิยะทั้งหลายนะถ้าไม่ได้รักษาศีลเป็นข้อๆนะท่านมีสติคุ้มครองจิตอยู่ถ้าถึงขั้นพระละหันเนี่ยท่านไม่ได้จงใจเอาสติคุ้มครองจิตะมันเป็นเรื่องอัตโนมันไม่ต้องคุ้มครองนะเพราะจิตนั้นฉลาดเต็มดวงแนละ้วเต็มที่ไม่โง่ไม่โ ง, ง่กิเลสครอบไม่ได้อีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องสู้ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระละหาันยังต้องสู้อยู่ต้องมีสติคุ้มครองจิตไปเรื่อย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 ตัวเทวบุตรมานตัวอะไรนชะเทวบุตรเทพบุตรเทพบุตรมานตัวจิตนั่นแหละตัวจิตนั่นแหละตัวเทพบุตรมานเ <c oughs> นี่ยมันตัวร้ายนะเนี่ยถูกกิเลสย้อมมันถูกกิเลสครอบอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งเดือนทั้งชาติทั้งหลายหลายชาติถูกกิเลสผลักดันให้ดิ้นเล่าๆไปเรื่อยปรุงไปเรื่อย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 ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปของสวยงามผ่านมาแล้วก็ไปของเร็วๆผ่านมาแล้วก็ไปนะความสุขมาแล้วไปความทุกมาแล้วไปกุศลมาแล้วก็ไปอ่กุศลมาแล้วก็ไปรู้อย่างเป็นกลางไม่ใช่ความทุกมาก็เกลียดมันความสุขมาก็ชอบมันกุศลมาก็ชอบมันอกุศลมาก็เกลียดแต่บางคนเกลียดกุศลนะเคยมีไหมเคยเจอหมพอจิตใจเป็นกุศลไม่ชอบเลยรู้สึกเสียเอกลักษ์เสียอัตลักษ์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 เ ป, hmm. เป็นความคิดเป็นความเห็นผิดเกิดขึ้นเป็นคลาล์ๆเท่านั้นมันคิดผ so ิดนะมันก็เห็นผิดเห็นผิดจนชำนาญไว้หมายผิดๆเลื่ยไป่าเลยวิปลาสนานาชนิดไปจิต right วิปลาสเนี่ยพวกคิดผิดพิติวิปลาสพวกเห็นผิดสัญญาวิปลาสพวกหมายผิดๆหมายว่ามีเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงในสุจะล้างความเห็นผิดไปเป็นกิเลส